ทรงประชุมสงบ์บรรยัติสิขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมทรง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกพิสุทิ์ชาปพคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอใช้ผ้าปิดฝีไม่ได้ขนาดจริงหรือพวกพิสุทชาปพรีต ร, รับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตรมิว่าโมคฆบุรุษทั้งหลายฉนัยพวกเธอจึงใช้ผ้าปิดฝีไม่ได้ขนาดเล่าโมคฆบุรุษทั้งหลายการกระทำอย่างนี้